เ, เท่านั้นการเฝ้าดูจิตไม่ใช่รูปแบบต่อไปครับไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องน้ำป้ายรดนียเพราะไม่มีใครทําหน้าที่นี้แทนเราได้เลยจ้าง ก, ก็าด้วยเงินเป็นหมื่นเป็นล้านก็ทำไม่ได้ครับบอกว่าจ้างใ้เงินกันเดือนละหมืน่นเดือนละล้านช่วยดูความคิดท่านทีทําไม่ได้อย่างนี้ช่วยประคองเมื่อความคิดมันเกิดแล้วเท่า น, นั้นเอง นั้นการภาวนานั้นเป็นวิทยาอุตสาหาะเฉพาะตัวจริงๆเนี่ย ค, คุญแจสำหรับขเรื่องนี้อยู่ที่บานประตูความคิดครับเมื่อล็อกประตูความคิดถูกไขความลุ่มลึกก็จะเกิดดังนั้นในพระธัมปีติยิงระบุเน้นว่าเมื่อยานกับวิญ ญ, ญาณทัดเทียมกันความลุ่มลึกจะปรากฏความลุ่มลึกคือประตูนั่นเองเดีนี้ความฉับไวในการเห็นความคิดเรายัางไม่พอครับ เรายังเรายังใช้ความคิดเพื่อคิดถึงความคิดอยู่ถ้าคำอาจจะฟังแปลกประลาดเราใช้ความคิดคิดถึงความคิดเมื่อกี้ความคิดหนึ่งเกิดขึ้นผมมานั่งนึกอีกทีว่าเอ๊ะเมื่อคิดถึงอะไรนะอย่างนี้ใช้ความคิดคิดถึงความคิดครับดังนั้นมันจึงไม่ทันครับไม่ทันการเราต้องปลุกตัวที่ระบบหนึ่งที่อยู่นอกความคิดจริงๆครับเหมือนตุ้มจิก เจ็บด้วยบากครับแต่ผมเจ็บนะความเจ็บมันมันอยู่นอกความคิดของผมผมจะคิดเรื่องอะไรก็ตามใจแต่ว่าความเจ็บมันนี้ปรากฏจริงแต่ความเจ็บปรากฏเพราะผมไปหยิกที่จุดเฉพาะขึ้นมานะฮะแต่แท้จริงเราต้องเร้าให้ความรู้สึกตัวตื่นทั้งระบบทั้งระบบให้มันตื่นขึ้นครับไม่ใช่ไปนั่งสะกดให้มันหลหับนั้นการปฏิบัติภาวนาแบบสมถานั้น เป็นขั้นตอนที่มีปัญหามากๆละครับะระปการสำคัญที่สุดลองวกย้อนไปสู่เรื่องราวเก่าๆประสบการณ์เก่าๆจากสำหรับตำารานะภาษาวกลาโงงไม่ได้ปฏิบัติทําเลยครับอ ง, องค์คริมานี้ไม่ได้ปฏิบัติเดินฆ่าคนตลอดเวลาหรือว่าการฆ่าชีวิตปลิดวิญญาณเป็นการภาวนานครับจะเจอพระเจ้าทำไมทิงทงรู้เรื่องแบบนี้ได้พายะองค์หนึ่งที่เป็นที่มาของ กามณิวาสิษฐ์นะครับซึ่งจากเรื่องจริงนะาทํารรมโอ๋ยไม่อได้ปฏิบัติอะไรครับได้ยินประโยคนสองประโยคเข้าถึงมันทันทีซึ่งสิ่งหน้าแปลกน้าอัศจรรย์ยิ่งในพุทธศาสนาเราจะคิดว่ามันเป็นสิงเป็นไปไม่ได้แต่เราควรจะคิดว่าช่างหน้าอาัศจรรย์จริงเหมือนอาจารย์ลุงวารันบอกนะธรมรมะของพระเจ้าช่วยมนุษย์ได้จริงช่างหน้าอาัศจรรย์คนไม่รู้หนังสือคนไม่เคยปฏิบัติเลยนะครับเข้าถึงได้เพราะการปฏิบัติรากฐานอยู่ในตัวเขา นันเวลาพระเจ้าท่านรับอาราธนาในการสอนธรรมะในโลกมนุษย์นะฮะจากพรหมท่านพิจารณาถึงบัวสามเหล่าไม่ใช่สี่นะครับบัวเหล่าที่สี่นอาจารย์รุ่นหลังเขาเติมเข้ามาแต่ก็มีเหตุผลที่เติมขึ้นมาพวกอะไรนะครับปะทะประมะทรงมากหมดพวกเป็นเหยื่อเต่าปลากัอาจารย์รุ่นหลังเขาอยากจะแดกดันคนที่ไม่สนใจธรรมะเลยนะฮะแต่จริงๆต้นตอนจริงพระเจ้าบอกไว้สามเท่านั้นนะครับ บัวที่บานแล้วครับบัวที่ปลิ่มน้ําและบัวที่อยู่ใต้แมวซึ่งทุกชนิดจะบานพระเจ้าทามองมนุษย์มันบานได้ทุกคนแต่สําหรับท่านเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานท่านเลือกแค่บัวเฉพาะที่ปลิ่มน้ําีำคนเหล่านั้นถ้าไม่ได้ยินเนีเสียหายถ้าได้ยินจะบานในวันทุ่งเลยครับฉนั้นข้อที่จริงคือผู้เข้าถึงธรรมะมีโดยไม่รู้ตัวก็มีนะนี่เป็นคาจัดของพระเจ้าไม่ใช่ของผมนะบอกว่าผู้ที่สถาคจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม มีบุคคลที่รู้ธรรมะเองได้แต่ก็รู้ตามภาษาของเขานะครับนี่คือความหวังของมนุษยชาติครับที่ว่าทุกคนรู้ธรรมะได้ถ้าไม่ประมาทต้องมีเงื่อนไขนะครทางมีอยู่แต่ว่าทางเดินวกวนเหมือนกลางคืนด้วยแล้วมืดด้วยนะครแสงลำลายด้วยถ้าผู้เดินทางตาบอดด้วยมันเลยมืดหลายชั้นมากครับคําว่าตาบอดในที่นี้หมายว่าเขาไม่ต้องการมัน จิงแรกจุดสำหรับชาวผู้สือต้องการอิสรภาพต้องการธรรมะครับทำไมต้องการนังนทำไงก็ไม่ไปครับเพราะเจ้าตัวไม่ต้องการไ ม, ไม่อยากเดินทางธรรมะของพระเจ้านั้นจริงอยู่นะครับถูกสั่งสอนจากพระโอษฐของท่านแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การผูกขาดวันนี้เท่านั้นนะครับว่าไปแล้วพระองค์ท่านจับตัวเองอบุคคลประเภทเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่แล้วครับ พระคดจะเกิดมันก็ตามไม่เกิดมันก็ตามสิ่งนี้เป็นอยู่แล้วใช่มอย่าง น, น้ครับดังนั้นผมว่าทวีบชาวพุทธแท้จริงย่อมมีกำลังใจใหญ่หลวงเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่พระเจ้าตจรจัสรู้นั้นสังคมอินเดียทังคมชมพูทวีตนั้นไรว้วางในการสแสวงหาอย่างสเปะสปะไม่มีใครกล้าปฏิ ญ, ญาณตนะว่าเป็นผู้รู้จริงๆมีคาถามอะไรอีกอครับ <c oughs> เรียนาอาจารย์ผมจะชาติเอาเป็นสามในบรรลุกุย อ, อาจารย์ก็จับประเด็นี้นที่ว่าในความสําคัญกับปัจจยัยของชีวิตที่มีเวลาไปกับภายใต้ของการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวจิตใจและการเคลื่อนไหวที่เิดของความคิดนั่นเอง กิจาริยาแห่งชีวิตเหล่านี้นะครับก็ให้มีสติรู้ตัวสติหนะ้าโดยลักษณะนั้นก็หมายถึงลักษณะที่ระลึกได้ระลึกรูก้ในอารมณ์ที่ปรากฏนะครับอาจจะเป็นอารมณ์อดีตก็ได้อารมณ์ปัจจุบันก็ได้ส่วนคําว่ารู้ตัวที่ใช้อยู่ในควาหมายถึงสัมปัชัญญาพระเจ้าตรงบอกสัมปัชัญญาคืออะไรที่สุสัมปัชัญญาคือการรู้ตัวอันนี้ถูงนะครับสติสัมปัชัญญาจึงมาคูาก่กันเรียกว่า ระลึวลูระลึกรู้ในทางสัมผัสปัจจุบันที่สัมผัสแบบนี้เขาเรียกว่าระลึกได้ระลึกได้แต่ยังไม่ระลึกรูระลึกรู้ได้แต่ยังไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับโดยปกติเราคงจะกดคิดไม่ได้เพราะคิดไปจนตายนะครับทั้งแต่ารย์เพชรจนเป็นเลยัญหาจึงมีอยู่ว่าผู้เจ้าสงสอนอย่างไรเมื่อห้าไม่ได้ฉันี้แล้วผู้เจ้าสงสาร เธอพิสูจน์เธออย่าไปสร้างเป็นในอากุศลวิสุกก็คือคิดเป็นอะที่ประกอบด้วยความรู้สึกที่เป็นอากุศลท่านไม่ได้ดูเรื่องราวที่อาจารย์พูดว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่ดูว่าเรามีความรู้สึกอะไรกับเรื่องราวแม้เรื่องราวจะเหมือนกันผมอาจจะดูแล้วผมเป็นกุศลก็ได้บางคนเป็นอากุศลก็ได้เรื่องราวไม่สําคัญในการรับรู้แต่เราต้องรู้ที่จิตของเราว่าเป็นกุศลือกุศลที่มีต่อเรื่องราวนั้น <ical false life starts> เรพิจารณาแล้วก็ดูปัจจุบันนี้ว่ดูที่สิดของเรานั้นมีความรู้สึกอะไรกับเรื่องราวหรือสิ่งที่เรารับรู้ไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นของจริมีความรู้สึกเป็นกุศลหรือ ก, กุศลอย่างไรเมื่อได้แล้วที่เป็นกุศลให้คิดได้ที่เป็นในเชิงกุศลแต่นั่นเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นใครในโลกที่จะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขตามภาษาโลกถ้า ต, ตามภาษาแห่งประจัีวิตเข้าถึงศัจธรรมนั้น ต้องหยุดคิดอย่างที่ว่านะคือหยุดคิดแต่ไม่ได้หยุดคิดในเรื่องที่ว่าเราจะต้องหยุดเลยเราถอยหลังอย่างในี้ทันทักษะสุขล่องเลยทีเดียฮะเราได้เริ่มถอยหลังไปสู่เหมือนกับภาวะก่อนเกิดคือเด็กเรารับรู้แต่เราไม่ได้คิดตรงนั้นเป็นฌานฉลาดของการรู้สึกที่จะหยุดการคิดหยุดยั้งความคิดที่เป็นในอกุศลต่างๆที่ทําให้เราเครียดเราหยุดยั้งด้วยการรู้สึกตัวปุจจิสัมปชัญญะเมื่อกี้ที่บอกนะ ไปสัญญาอย่างลงในสภาวะที่ใจในกายก็เุดเราพยาามทำอะไรอยู่นี่รู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวในจิตว่ามีจิตการเคลื่อนไหวของกระบวนการยานวิทยาที่อาจารได้เัญญาเป็นยานวิทยานิสิตร่ อ, องรู้สึกแล้วรู้กระบวนการคิดแล้วก็มาหยุดตรงนี้แต่หยุดตรงนี้นี่แหละปัญหาสําคัญอยู่ว่ารู้สึกเราสู่ความจิตว่ามหายานเอาไปใช้ว่าไม่ต้องคิดยังจะเป็นะกากอะไรเป็นพุทธะตอนนั้นผมเลยว่ยังไม่ใช่พุทธะท่านพายิญาณนั่นเองก็เหมือนกัน ต้องการแสดงหาพระเจ้าเห็นพระเจ้าพระ เ, เจ้าอัชชอศักดิแต่ว่าเห็นเทราะ น, นั้นเองนะครับชาติยะอธิบายไว้ว่าศักดิ์แต่ว่าเห็นนั่นคือจุดคิดจุดการรับรู้เกิดมาเริ่ที่อันแรกจะมีกุศลอกุศลอยู่ในสิ่งที่ถห็นท่องชาติยะก็ย้อนเข้ามาสู่ที่ศักแต่ว่าเห็นนะครับจักกิเ็ชติยก อ, อ, อธิบายว่าทรับอาจารย์ลำพังแต่กายและอุญญาต่า น, นั้นคิดจากสุขอุญญาติขออาจารย์โทษไม่เป็นอย่งนั้ ก็คือส่งทีเราควรมาหยุดตรงนี้หยุดคิ่องจิตว่างไม่ยังไม่เป็นวุตถะเพราะมันเป็นการรู้ทางดิญยาณรู้กายดิมยนที่เหมือนรู้ร้อน ร, รู้หนาไม่ต้องคิดมันรู้วนันร้อนอยู่างเช่นอาจารย์ต้องรับรู้ก็รู้ด้วยใจกับด้วยดิญญาณรู้พญ า, า ย, ยาณรู้สัญญารู้ประเภทสองคําว่ารู้สัญญารู้ก็มาทมีความนึกคิดต่างตแต่อันพิสารดิมยานรู้คือปัญญารู้ เมื่ออย่างยังอ ย, งอยู่ที่ว่ากายวิญญาณให้รับรู้ถ้าสมมติอย่างเรานะครให้รับรู้แต่เพียงว่าเพียงแต่เห็นเ พ, เพียงแต่รับรู้เพียงแตรู้สึกนี่เป็นกายวิญญาณเราก็สามารถจะกดติตกดติตของเราขมจิตไปด้วยความรู้ทางกายวิีญาเพียงพอแล้วก็ใช้ได้แต่ในทางพุทธตานานั้นยังไม่พอครับไม่หยุดแล้วนะกลับมาคิดอีกครับคิดตรงไหนฮะคิดตรงที่ว่าดูจิตเป็นสติปัฏฐาน คิดพิจา ร, รณาแต่ไม่ได้คิดแบบฟุ้งซ่างไม่ไดคิดแบบฟุ้งซ่างคิดพิจารณาในสิ่งที่กําลังปรากฏคือพิจารณาสังเกตในสิ่งที่ปรากฏนั้นว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนอย่างไรเมื่อพิจารณาก็นาอยนออกวันนายออกแล้วเฉยเลยครับแต่นี้ตรง น, นี้ผู้ชนอยู่ตรง น, นี้ครัเรื่องไม่คิดอีกแล้วครับที่เราไปตั้หาเพราเราไปคิดในสิ่งที่ไม่ใช่กำรปรากฏในขังนี้ไปคิดเรื่องราวเพราะฉะนั้นเราปรับยายชีวิตเนี่ย สามารถจะใช้ปรัชญาชีวิตทางการคิดแล้วหยุดได้แต่นั่นยังเป็นความคิดนอกพุทธศาสนาไม่ว่าจะใช้ปรัชญาอะไรต่างๆที่กระบวนการญาณอิญญาปรัชญาของาญาณอิญญาแล้วหยุดคิดได้ยังไม่ใช่ตรงต้าหมายหรือว่าเยีออยธรรมคือขันห้าสมงที่ีคิดพิจารณากระโจนดิ้นขันห้าไม่ใช่คิดเรื่องสัจจคตของจักรวาลของความลึกคิดที่ออกไปทางนอกจะหาประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวถีก็คิดกันแต่ว่าเวลาพุทธศาสนานั้น คิดพิจารณาที่ขันหน้าแลุดคิดว่าขันธ์ห้าในชีวิตนี้ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาและเป็นของเน่าเหม็หนนายออกที่สุดของขันธ์ห้าที่สุดนั่นคือความสูงซึ่งคือสูญญาตาเริ่มมาหยุดคิดตรงนี้สุชาติจึงเกิดตรงนี้จนมหายาณนั่นคือกัณพุทธะตรงนั้นก็เพียงแต่ว่าสามารถรักษาจิตโ ด, ดยการถือ ว, ว่าไม่ต้องคิดแล้วมันก็ว่างลงมันว่างลงเพียงนั้นยังไม่สําเร็จสุชาติในกรณี เพราะฉะนั้นปัญญาชีวิตนี้มันก็มีสอง0ั้นตอนอย่างที่กล่าวนะฮะแต่ว่าใครจะเอาประโยชน์ตรงไหนก็อยู่ที่สติปัญญาแลว้วก็สามารถกระทำได้ตามขบวนการทางที่ปฏิบัติแนวนปฏิบัติทางศางสนาก็ให้ประโยชน์ตามที่ผมคิดว่าให้ประโยชน์จริงๆในรัชชะโดยมิสบายนี่บอกประเทศอาจารย์เห็นข้างนอกเป็นกองทุกข์มาอีกแล้วจากจากบุคคลมาเป็นไอ้ไม้อีกไอ้องแบบนี้ แต่แลราก็มาย่างลงพอย่างลงนี้ก็ปล่อยเพราะปล่อยก็เป็นเช่นนั้นเองของยินงดาไม่ต้องพูดอะไรผองยิ่งในใจของผมที่นั้นน่ะทุกความสงบของเราอยู่ตรงนั้นคือยอมเห็นว่าร like ่างกายเป็นของอาจาร์ทุกขังลักษณะโทตอนอะไรสํารองนั้นก็หยุดคิดตรงนี้ส่วนหยุดคิดตรงนั้นก็ได้ประโยชน์แล้วก็ถ้าเรายังไม่อย่างลงตรงนี้นนนก็ได้ประโยชน์แต่ว่านักปัญญาชีวิตอย่างนี้เขายัางต้องคิดและยัง ต้องมีฟุตต่อไปแ น, น่นอนครับยังค้างประเด็นกันอยู่ตรงที่ว่าการเห็นที่สมบูรณ์นะครับมีความคิดแทรกอยู่ในนั้นด้วยถูกอปล่านี่เป็นประเด็นใหญ่ว่ากนะแต่ผมจะค้างประเด็นไว้พักครึ่งเวลานะครเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่ทือว่าการาการเห็นที่ไม่สมบูรณ์นำไปสู่ การรู้จากพุทธศาสนาอีกแง่มุมหนึ่งส่วกการเห็นที่สมบูรณ์นั่นเอง ท, ที่จะนำไปสู่อริยมรรคหรือผลหรืออะไรก็ตนะครับข้างประเด็นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปลอยอันที่จริงเรามีความยุ่งยากกันมากครับโดยเรื่องของภาษาตัวหนังสือถ้อยคำนะครับ ดังนั้นครูบาจารย์ข้างอดีผู้เปลื่อนปราดในเรื่องภาษาและธรรมปฏิบัติจึงพยายามที่แสวงหาคำนิยามเพื่อให้ถ้อยคำนั้นกระชับไม่ซัดสายแต่แล้วความพยายามแล้วแล้วลว ล, ว ล, วลวนั้นได้กลับกลายเป็นเชื่อสาของความยุ่งยากขึ้นตามพ่วงของเวลาธรรม ยิ่งอธิบายมากเท่าไหร่ยิ่งฝสือเท่านั้นนะครับยิ่งฟังมากเท่าไหร่ยิ่งปฏิบัติยากขึ้นเท่านั้นนครับนี่คือข้อเท็จจริงที่นักปริยัติหรือผู้ที่ใส่ใจในทางธรรมเนี่ยพยายามแ ล, ลม้วล้มเหลวแล้วเล่าๆครับเพราะความพยายามที่จะคิดอะไรให้มันแตกหักกับกราบเหมือนเอาน้ำมันเข้าราดกองไฟซึ่งจะลุก โฉดชุวมขึ้นแล้วก็ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นครับออรองต้องวิเคราะห์สองสิ่งนะครับ่งเป็นสิ่งดาดดาดาง่ายๆแต่ยากที่จะสัมผัสสองสิ่งซึ่งเป็นเสมือนแกนกลางของศาสตร์แทบทุกขนะตั้งแต่วิชาฟิสิกจิตวิทยา ศาสนาและภูมิศาสตร์สองสิ่งนี้ก็คือเวลานะช่องว่าง เ, เวลาในความหมายทางด้านจิตวิทยานั้นก็คือเมื่อช่วงเวลาดำเนินไปจากเหตุการณ์หนึ่งสู่เหตุการณ์หนึ่ง เราใช้ภาษาเข้าไปอธิบายว่ามีเวลาปรากฏขึ้น<ม>เวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นเดือนเป็นปีแต่จริงๆเราไม่รู้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับแต่ผมจะถามโดยเจาะจงไปสู่ปัจจุบันนี้เลยว่าคุณลงช่วยอธิบายว่าเวลามันคืออะไรแน่ชี้บ่งมาได้ไหมผมว่าทุกคนจะจาหนอนไม่รู้เวลาคืออะไรครับแต่เรารู้ว่า ความแก่สัญญาณบางอย่างปรากฏเช่นผมเราหงอกเดี่ยวแรงที่เคยแข็งแรงถดถอยไปตามการเวลาแต่เราไม่รู้เวลาคืออะไรครับนั้นเวลาก็ดีช่องว่างนีเป็นสิ่งลี้ลับที่สุดดาบที่สุดเข้าใจลำบากที่สุดแต่ถ้ารู้จักมันแล้วก็จะรู้จักตัวเองที่สุดเราพูดว่าเวลาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมะม่วง จากรสเปรี้ยวสีเขียวค่อยๆเหลืองแล้วรสหวานด้วยด้วยเวลาเราไม่ต้องทำเลยเลยเราทิ้งไว้ น, นั้นนันเองคนะแต่ผมจะถามย้อนอีกทีหงว่าใ น, นเมื่อเวลาเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทีนี้มะม่วงคืออะไรดูจะตลกมากข้าวเวกกว่านั้นอีกนะเราจะตรงไหนเป็นมะม่วงเพราะ สีขอมันเปลี่ยนตลอดลว่ามันเดินทางตลอดเวลาเดินทางควบคู่กับเวลานั่นเองครับแล้วตรงไหนเรียกว่มามะม่วงตอนที่มันเปรี้ยวเขียวหรือตอนห่าวหรือตอนสุกละหวานจากสุกละหวาน เ, เป็นเมล็ดงอกงอกขึ้นลําต้นไม้ตรงไหนค็นมมอมะม่วงไม่สุดเรามาถึงจุดที่เรียกว่าพูดไม่ออกบอกไม่ได้นี่ก็ถ้อยคําจริงๆที่ว่าพูดไม่ออกบอกไม่ได้ที่ศาษาพราะก็เรียกอัปยากริต ไปศึกษาค้นค้าดูเฉพาะว่าวันที่พระเจ้าเข้าถึงพระโพธิญาณท่านไปเชิญหน้ากับอัพยากระตาธรรมถึงเข้าถึงสภาวะพูดไม่ออกบอกไม่ได้สิ้นสุดของภาษาดังที่ผมเริ่มต้นไว้แต่เดิมเมือม่ อ, อเริ่มบรรยายวันนี้นะฮะว่าภาษาเป็นประสิทธิภาพอันสูงยิ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพเป็นรากฐานการสร้างสารรค์อารยธรรม เป็นสื่อทำให้คนรู้จักเข้าใจกันในมิติต่างๆแต่แล้วอุปสรรคร้ายแรงที่สุดก็ตัวภาษานั่นเองมันกำบังออกและภาษาที่เผือคือภาษาที่แตกตัวไปมากจนน้อยในสุดเรารู้สึกงงและเราต้องงงด้วยนะครับว่าพทธเจ้าท่านหมายถึงอะไรกันแนะ่เมื่อทนพูดเราพระนิพพานเราคิดว่าน่าจะเป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์อะไรสักอย่าง ดังนั้นเราคาดคิดด้วยภาษาอันอนลังการของเราไปเรื่อยๆจนกว่านะครับภาษาจะถูกตัดคลองคำพูดลงไม่ใช่ถูกตัดคลองเนื่องจากเราถูกตกหน้าแล้วก็พูดอะไรไม่ออกหรือถูกบีบคอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องสิ้นสุดลงด้วยตัวของมันเองมันเหมือนเทียนซึ่งหมดน้ำมันตะเกียงซึ่งหมดน้ำมันนะหรือรถ ซึ่งวิ่งด้วยแรงเฉื่อยจอกนกระทั่งมันหยุดด้วยตัวมันเองไม่มีแรงประทาที่อื่นการหยุดจึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ต้องเป็นเองครับแต่ทุกขณะทุกณะจิตเราคิดเหมือนมีรถดวนขบวนยาวหยี่ดังนั้นความคิดภาษาก็บดบังสภาวะดั้งเดิมหมดสิ้นครับเรานึกถึงจิตเด็กๆของเราไม่ได้เลย แต่เรารู้สึกประพิมภพพาว่าตอนเด็กดีกว่านี้มันแปลกนะครับตรงที่ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกคล้ายคึงกันตรงที่ว่าไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ดูเขาบอกว่าแต่ก่อนบ้านเมืองดีกว่านี้พูดตรงละหมดนะครับแล้วก็ถึงคนอยู่ในกรุงเทพบอกตอนเด็กๆเราสึกดีกว่านี้ลากว่าความดีมันอยู่ในอดีตนะครับเราพยายามนึกหวนนึกตอนเราเป็นเด็กแย่งขนมกับพี่หรือกับน้อง พี่แต่ว่างเคยกวบ้างร้งองไห้น้ำตายังไม่ทันหมาดๆอกเสื้อเดี๋ยวหัวละนะเราขล่องอารมณ์น้อยและติดยึดน้อยมากครับเพราะเราพูดไม่เป็นภาษาเรามีใช้น้อยและจากัดมากในหมู่คนบ้ายทั้งหลายเราลองไปคุยดูนะเขามีภาษาความรู้สึกที่แรงกล้ามากเขาก็พูดไม่ได้ก็ยกมือทันรักคุณเนอะเราเวลาเรามีอารมณ์เขาจะสัมผัสแรงธรรมชาติชดเฉย ผ ม, มันได้บอกว่าให้เราทำบ่ายมีพระภิกษสุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเข้าจะติดต่อคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเธอยังคิดอยู่ชื่อว่ายังซามอยู่เขาก็พยายามหยุดความคิดหยุดคําพูดสมาธานไม่พูดกันเต็มบรรษาเลยเนี่ยพระเจ้าไปถามว่าเธอปฏิบัติอะไรกันเขาบอกว่าสมาธานไม่พูดท่านสระนามนะนรมนามวเธอไปเอาวัดปฏิบัติพวกเดียร์ีมาปฏิบัติทํำไม พุทธศาสนาเรามีองค์อริยมรรตสัมมาวาจาคือพูดด้วยสติพูดด้วยความรู้ตัวพูดคําสัตว์คําซื่อการพูดคําสัตย์คําซื่อพูดด้วยสติเป็นการภาวนาครับแต่แล้ววันวันหนึ่ ง, งเราสูญสิ้นไปกับคําพูดซึ่งผมอยากใช้คำา่าไรศาสระกายของเราสูญเสียไปกับการทําอะไรแผลงๆมากมายไปไปจับระบำํลำลาฟ้อนไปเต้นไปสารพัดครับกายวาจาของเราเหมือนกัน จิตของเราเลิดเปิดเปิงไปตามที่เราอยากให้มันคิดนึกอะไรครับเราไม่สารวมทวารทั้งสามนี้เข้ามาสารวมคือการตัดกระแสครับไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคกลลวิธีใดก็ตามที่ทำให้วิจตกิจาร์ระงับลงไม่ว่าโดยการเข้าฌานไม่ว่าโดยการเจริญอยังไงก็ได้ครับเทค น, คนิคนั้นก็คือเมื่อมีการสารวมแล้วมันจะมาประพิมประพายต่อ จิตดั้งเดิมของเราผมไม่ได้บอกว่าจิตเดิมนั้นยังอยู่ตลอดเวลาทรงอยู่ช่ว น, นิจิลันนนท์ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะสิ่งที่ผมกำลังจะเน้นก็คือว่าคําพูดความคิดไม่อนำเราสู่สัจจะได้ครับเพราะสัจธรรมของน้อมชาตินั้นอยู่นอกความคิดอยู่นอกภาษาที่เราพูดภาษาเป็นตะข่ายของของคำนิยามครับเมื่อผมเรียกต้นนิ้วมะพร้าวที่จริงมันไม่ได้จึ้งมะพร้าวเลยครับ แล้วมันอาจจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ A B C D กขงงนะแต่เมื่ผมมัญนยดัดในภาษาไทยว่ามะพร้าวแต่ผมสังเกตรูปลักษณ์ของมันแล้วมันไม่เหมือนอีกต้นหนึ่งซึ่งผมจำเป็นต้องเรียกว่าตาลดังนั้นอีนนี้ภาษาผมได้แยกต้นไม้สองอย่างออกจากกาันโดยสิ้นเชิงเลยทั้งโดยความจริงนี่มันงอกบนดินเดียวกันคนระับ เ <c oughs> กือแร่ธาตุเดียวกันรูปลักษ์ภายนอกนั้นที่ต่างกันรสชาติจะต่างกันแต่เหมือนผมบอกแล้วว่ามะม่วงไม่รู้ตรงไหนเป็นมะม่วงแต่ดังนั้นไม่รู้ตรงไหนเป็นตาลครับไม่รู้ตรงไหนเป็นมะพร้าวถ้าให้ถูกและใกล้เคียงที่สุดนั่นคือต้องแอนตี้ภาษาครับต้องเรียกแทนที่จะเรียกว่านี่เป็นมะพร้าวบอกนี่ไม่ใช่มะพร้าวจึงจะถูกกว่าครับ <c oughs> ฟังดีๆ <c oughs> ผมไม่ได้เล่นตลกนะ ถ้าคุณเรียกมันว่ามะพร้าวแสดงคุณยึดติดในสมมติเหมือนก็นเราเรียกว่าชั้นเป็นตัวตัวชั้นถ้าเรียกให้ถูกใกล้เฉพาะว่างจริงเรียกนี่ไม่ใช่ผมครั้งหนึ่งมีคนถามผมแต่เขาก็จะปิดเมื่อผมตอบเขาคิดว่าผมดีอยู่ยน่ะเขาเขาถามว่าทำไมท่านบวชตั้งนานจริงๆผมบอกไม่รู้ผมไม่เคยบวชเรื่องนั้นไปถามคุณโกวิทย์เขา ก็โกรดผมมากแต่ผมก็พูดจริงนะผมตอบจริงว่ามันมันความรู้สึกที่เรารู้สึกสัมผัสอะไรอย่างแนบน่นนั้นมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยผมอยากจะกล่าวนี้นะครับว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราเป็นอย่างที่เราเป็นตัวชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยเราให้เราคิดยังไงให้ตายนะว่าเรากำลังได้ดีเรากำลังแย่เรากำลังถูกรูปหน้าเรากำลัง มันเป็นเรื่องเราคิดขึ้นทั้งนั้นครับดังนั้นมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการเจริญภาวนาคือทำให้ความคิดความนึกความจึกเงียบลงถ้าทำโดยวิธีสมถะเป็นสิ่งชั่วคราวครับเหมือนที่ครูของพุทธเจ้าสององค์นั้นท่านทำความเงียบเนี่ยเหมือนที่ใช้อากาศอากา ศ, ากาศสารนันจาจตนะเพ่งอวกาศเอาหลักที่สาคัญอันหนึ่งเมื่อเพ่งอวกาศแล้วอ า, ากาศก็เป็นมโนภาพครอบงาจทั่ง ประกาศตนต้อเป็นอรหรันต์นะท่านพรเจ้าสมองนี่เป็นไม่ได้นี่ไม่ใช่เพราะยังกดทับอยู่ยังไม่มีเสรีภาพยังไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีวิมุตต์หลุดตนเลยทบทวนใหม่นะครับมะม่วงที่ผมชอบอธบายเรื่องมะม่วงมีไม่ไม่ใช่ชอบกินมะม่วงนะีบทสนทนาเรื่องมะม่วงนี่แหละทําให้ลังกาทั้งประเทศกลายเมืองพุทธครับเมื่อพระอรหันต์ที่ชื่อมาหินทะ เดินทางแล้วสนทนากับพระราชาเรื่องมะม่วงว่าตรงไหนคือมะม่วงเนี่ยในสุดก็เหมือนกับว่าตรงไหนเป็นเราเป็นตัวเราตัว ต, ว ต, วตวนของเราดังนั้นเมื่อตรงไหนไม่ไม่ไม่อาจชี้ชัดเ ล, เลยว่าเป็นตัวตวนของเราใครทุกท่างนั้นแต่ทุกครั้งเราปวดฟันเราก็เสนอหน้ากันไปว่าฟันชั้นกำลังปวดขอโทษนะครับอธิบายอาจจะเลอะเทอะไปหน่อ ย, อยตรงนี้เมื่อเราอาเจียนออกมาโอ้ก็ เรายังบอกอาเจียนของท่านเลยครับ ม, มันตลกม า, มากมากเลยนะ ม, นมันประหลาดตรงนี้ครับลองวิเคราะห์เข้าสู่เมื่อกี้สนทนานกับท่านผู้ร่วมรายการในเรื่องวิญญาณซึ่งถือว่าเป็นตัวกํากับเป็นนายโรงที่สําคัญที่สุดถ้าเราไม่รู้จักตัวนี้เราจะพลัดจากทางของพุทธศาสนาไปทันทีเช่นถือวิญญาณเพียงเป็นตัวตนอยู่คำฟ้าคําบินเป็นสัสะตว์สตทิถิวิญญาณนี่แหละเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีวันจบสิ้นจําละครภาพยนตรเ์เรื่อง l ิต t l e b บ d ด h าได้นะครับว่าเมื่อเจ้าชาไปเห็นคนเกิดคนตายคนเจ็บคนตายแล้วก็ไม่เป็นตั ว, ตวเองแล้วครับก็มาต่อว่าบิดาว่าทำไมปกปิดความจริงอันนี้ไว้ตั้งนานไม่ให้ท่านรู้ว่าคนมันต้องตายด้วยพระบิดากบอกว่าไม่มีใครรอดจากอันนี้ลูกเอ๋ยมนุษย์เราเกิดแล้วเกิดดีอย่างนี้ไม่มีวันไปไหน นี่คือลัทธิที่เรียกว่าตัตตะพิถิหรือสังคีตเรียกอีธานาลึกได้มครับเพราะว่าเราไม่ต้องปฏิบัติอะไรเราหมุนวนอยู่อย่างนี้แหละตายแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็ตายอีกกันซึ่งผู้เจ้าถือว่านี่ไม่ไม่ไม่ใช่ภาวะที่จำยอมดังนั้นผมบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันที่จะจัดการกับคำสาบแช่งอันนี้ให้ได้จงได้คำสาบแช่งไม่ได้เกิดในธรรมชาติครับมนุษย์ตั้งทฤษดีขึ้นเอง ภาษาเป็นทั้งหนึ่งและทั้งหมดนะครับดูค้าๆเป็นเรื่องเล็กคำพูดคนบางคนทำให้คนหนึ่งฆ่าตัวตายได้เลยนะพูดเข้าพูดเข้าดังนั้นก็ทนไม่ไหวเลยต้องตายเลยครับดูอิทธิฤทธิ์ของมันให้ดีนะครับดังนั้นในทางกลับกันในทางแง่บวกบาคนบางคนคิดว่าฉันมีความสุขเขาก็มีความสุขจริงๆแต่ความสุขเขาเสกสร้างขึ้นพุทธศาสนาไม่ได้สนับสนุนการเสรสร้างขึ้นอุปโลกขึ้น สัจจะไม่ใช่สิ่งที่าสร้างด้วยคําพูดหรือภาษาได้ครับแล้วก็ถ้าคืนทำกลายเป็นทุกข์โทษใหญ่เลยนะสิ่งที่สําคัญ ก, ก็คือการรื้อถอนเพิกถอนครองของความคิดและคําพูดเมื่อผมใช้คําคพี่คําพูดอันเดียวกันนะพอถ้าไม่มีคําพูดความคิดก็ไม่มีเราดูในจิตใจมันจะเงียบไม่ใช่มันจะเงียบยงเฉพาะผู้ภาวนาแล้วนะ ทุกคนเป็นอย่างนั้นครับลองดูก็ไปในจิตใจเดียวนี่ครับเห็นก็ไปในจิต ใ, ใจแต่ทำมาดูกับเห็นที่ต่างกั น, นผมอย่างอุปมาเล็กน้อยนะครับในการดูบางครั้งไม่มีการเห็นแต่ถ้าเห็นดูก็รวมอยู่ในนั้นสมมติท่านนั่งนบนหน้าผาหุบเหวใหญ่นะครับมองลงไปในหุบผานั้นเป็นป่าไม้หนาทึบคนที่เห็น คลุมมไปทั้งหน้าผานั้นเรื่องการเห็นแบบคนอยากจะให้ภาษาฝรังพา น, นรามาแบบเต็มเหยียดมันแต่มันไม่ไม่ได้ไ ม, ไม่ได้เห็นต้นไม้ครับแต่เห็นกว้างๆและการเห็นกว้างๆนี่สําคัญมากเพราะเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใดโค้นมันจะเห็นทันทีครับแต่ถ้าการจ้องดูตัวหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใดยอยู่อีกหต้นข้อในี่ถอนไม่ทันครับจิตของมนุษย์เราเพ่งติดอารมณ์อยู่ตลอดเวลา รู้อะไรติด น, นั้นหวานติดของที่เรียกวุฒิชนคนธรรมดาทั่วไปอย่งเงี้ยเพรนั่งสงบพ อ, อนิมิตเกิดติดทันทีเลยครับฝังใจแล้วเล่าประสบการณ์นั้นเป็น 20- 30ปีเลยทั้งๆ ท, ทําไม่ได้แล้วครับทั้งๆเป็นประสบการณ์ซึ่งเกิดแป บ, บเดียวแล้วก็ทำไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ไม่ ไ, มได้ตารวจว่ามันส่งผลดีหรือผลร้ายแต่จะติดยึด